เจรอนพรท่านผู้มีเจียมเมตตากรุณาใจบุญใจกุศลทุกทุกท่านวันนี้เป็นวันอาทิตย์ที่25มกราคมพุทธศักราช2558เป็นวันที่ท่านทั้งหลายมีเวลาว่างจากภารกิจการงานต่างๆจึงได้มาวัด เพื่อมาตัดตัวประโยชน์สุขที่เราพึงจะได้รับจากพระพุทธศาสนาเพราะไม่มีอะไรในเรื่มนี้ที่จะมีคุณค่ามีประโยชน์ให้กับชีวิตของพวกเรายิ่งกว่าพระพุทธศาสนาเพราะมีพระพุทธศาสนาเท่านั้นที่จะสามารถปลดเปลื่อง ความทุกข์ต่างๆที่มีอยู่ภายในใจของเราให้หมดไปได้ถ้าไม่มีพระพุทธศาสนาก็เหมือนกับไม่มียารักษาโรคเวลาร่างกายเราเจ็บไข้ได้ป่วยถ้าเราไม่มียารักษาโรคเราก็ต้องทุกขทรมานไปกับโรคภัยไข้เจ็บและตายไปในที่สุด แต่ถ้าเรามียารักษาโรคพอเราเอายาเข้ามารักษาแล้วโรคภัยไข้เจ็บต่างๆก็จะหมดไปจากใจหมดหมดไปจากร่างกายร่างกายเราก็จะกลับมาแข็งแรงสามารถทำอะไรต่างๆได้อย่างสะดวกอย่างสบายฉันใดจิตใจของพวกเราก็เป็นเหมือนร่างกายที่มีอาการเจ็บไข้ได้ป่วยเช่นกัน เป็นเวลาเรามีความทุกข์ใจเสียใจวุ่นวายใจเดือดเนื้อร้อนใจ ร, ออร้องห่มร้องไห้กินไม่ได้นอนไม่หลับหวาดกลัวกับเรื่องต่างๆอันนี้เรียกว่าเป็นโรคของใจถ้าเราไม่มีพระพุทธศาสนามาสอนวิธีรักษาโรคภัยไข้เจ็บเหล่านี้โรคภัยไข้เจ็บเหล่านี้จะไม่มีวันหายไปจากใจ เพราะวิธีที่เราแก้ความไม่สบายใจนั้นไม่ได้เป็นวิธีที่จะแก้ได้อย่างถูกต้องได้อย่างถาวรเป็นการแก้ได้ชั่วครั้งชั่วคราวเท่านั้นและไม่ได้เป็นการแก้อย่างแท้จริงเ <c oughs> ช่นเวลาเราไม่สบายอยู่กับใครไม่สบายเราก็หนีเข้าไปไปอยู่ที่อื่นสักพักหนึ่งทะเลาะ ก, กับแฟนก็กลับไปอยู่กับพ่อกับแม่ พอไปอยู่กับพ่อสักพักก็ไปทะเลาะ ก, กับพ่อกับแม่ก็หนีกลับมาอยู่กับแฟนใหม่อันนี้ไม่ใช่เป็นวิธีแก้ปัญหาเป็นวิธีหนีปัญหาหนีความทุกข์ความทุกข์นี่มันเป็นเหมือนเงาตามตัวเราเราหนีไปที่ไหนไปอยู่กับใครมันก็จะตามมาอยู่ดีถ้าเราไม่มีพระพุทธศาสนามาสอนวิธีแก้ความทุกข์ใจเราจะไม่มี วันรู้วิธีแก้ไขได้อย่างถูกต้องได้อย่างถาวรนเลยนี่แหละเป็นประโยชน์ที่เราจะได้รับจากพระพุทธศาสนาโดยเฉพาะแก้ปัญหาความทุกข์ที่เกิดจากการเวียนว่ายตายเกิดพวกเราไม่รู้หรอกว่าพวกเรานี้กลับมาเกิดเป็นมนุษย์นี้ไม่รู้กี่แสนกี่ล้านครั้งแล้วแล้วทุกครั้งที่กลับมาเกิดก็ต้อง มีความทุกข์ความวุ่นวายใจอย่างที่เรามีอยู่ในขณะนี้และจะมีต่อไปเรื่อยๆจนถึงวันตายตายไปแล้วเราก็ไม่เข็ดลาบเราก็ยังกลับมาเกิดใหม่เพราะเราไม่รู้ว่าเราได้กลับมาเกิดเราต้องกลับมาเกิดใหม่เราไม่รู้เรื่องของเราเลยต้องมีพระพุทธศาสนาเท่านั้น ที่จะมาบอกเรามาสอนเราให้รู้ความจริงของเราว่าเราเป็นใครกันแนะ่ทุกวันนี้พวกเราคิดกันว่าร่างกายนี้เป็นตัวเราเป็นของเราเราคิดว่าถ้าร่างกายตายไปแล้วเราก็จบเพราะเราอยู่กับร่างกายแต่นั่นไม่ใช่เป็นความจริงความจริงก็คือเราไม่ได้เป็นร่างกายเราเป็นใจ ใจผู้มาครอบครองร่างกายนี้เป็นผู้มาสั่งให้ร่างกายนี้ทําอะไรต่างๆอย่างวันนี้เราก็สั่งให้ร่างกายมาวัดใจเป็นผู้สั่งผู้สั่งก็คือผู้คิดเนื้อใจคือสั่งด้วยความคิดใจเป็นผู้คิดเป็นผู้รู้ถ้าไม่มีใจร่างกายนี้ก็จะไม่สามารถทําอะไรได้เช่นเวลาที่คนตายไปแล้วนี้ ร่างกายนี้จะไม่สามารถเคลื่อนไหวได้ทำอะไรได้ต้องให้คนอื่นเขามาจัดการเช่นสับเหลือเวลาคนตายนี่ก็จะยกให้สับเปลือไปสับเหลือก็จะได้นําเอาไปทําชาปน ก, กิจกําจัดร่างกายนี้ให้มันหมดสภาพไปเพราะถ้าปล่อยให้มันอยู่ต่อไปมันก็จะส่งกลิ่นเหม็นแล้วก็จะ กายเป็นภาพที่ไม่น่าดูยังไม่มีใครเก็บศพไว้ที่บ้านกันเวลาคนตายเราจะเอาร่างกายนี้ไปที่วัดกันเพื่อจะได้จัดการกับร่างกายนี้แต่ใจนี้ไม่ได้ตายไปกับร่างกายใจนี้เป็นมนุษย์ร่องหนคือเป็นร่างที่เป็นกายที่ ที่เราจะไม่สา ม, มารถเห็นได้ด้วยตาของร่างกายแต่เราสา ม, มารถเห็นได้ด้วยตาของใจเองใจต้องหากร ะ, ะจกสองหน้าตัวเองถึงจะเห็นหน้าตัวเองได้เหมือนกับร่างกายของเราเราอยากจะเห็นหน้าของเราเราก็ต้องมีกระจกสองหน้าถ้าเราไม่มีกระจกสองหน้าน well ี้เราจะมองไม่เห็นว่าหน้าตาของเราเป็นยงไง สวยหรือไม่สวยหล่อหรือไม่หล่อสกรปรกหรือสะอาดทุกเช้าที่เราตื่นขึ้นมานี่ถ้าเราไม่มีกระจกสองหน้านี้เราจะไม่กล้าออกจากบ้านเพราะเราไม่รู้ว่าหน้าตาของเราเป็นอย่างไรมีใครบ้างที่ไม่ดูหน้าตาของตนเองตอนเช้าตอนที่ตื่นขึ้นมาทุกคนต้องมีกระจกดูหน้าดูตาของตนเองเสมอถึงจะจาได้ว่าหน้าตาของตนเองเป็นอย่างไร ถ, <PTSD> ถ้าไม่มีกระจกสองหน้าแล้วใครก็มาถ่ายรูปหน้าของเราแล้วมาให้เราดูเราก็จะไม่รู้ว่านี่เป็นหน้าของเราเพราะเราไม่เคยเห็นหน้าของเราเลยว่าเป็นอย่างไรเพราะเราไม่เคยมีกระจกให้เราสองดูหน้าพอใครถ่ายรูปของเราแล้วไม่ให้ดูหน้าเราเราอาจจะผิดหวังก็ได้เพราะถ้าเวลาเราไม่เห็นหน้าเราเราก็อาจจะจินตนาการไปว่าหน้าตาเราเหมือนดาราภาพยนตร์เหมือน นางงานจากเกาวานก็ได้แต่พอเ็าถ่ายรูปมาให้เราเห็นหน้าจริงของเราแล้วมันอาจจะ ไ, ไม่เป็นเหมือนอย่างที่เราคาดกนเองก็ได้แต่ถ้าเรามีกระจกสองหน้าอยู่เรื่อยๆดูอยู่เรื่อยๆเราก็จะจำหน้าจำตาของเราได้ว่าหน้าตาของเรานี้เป็นอย่างไรฉันใดใจของเราก็ต้องมีกระจกสองหน้าเราถึงจะเห็นใจของเราได้วิธีจะเห็นใจของเรานี้ เราต้องสร้างสมาธิขึ้นมาสมาธินี่แหละเป็นเหมือนกระจกสองหน้าของใจเราไม่สามารถมองใจได้ด้วยตาเปล่าๆไม่สามารถถ่ายรูปร่างกายแล้วจะทำให้เราเห็นใจได้จะเห็นใจได้นี้จะต้องใช้กระจกของสมาธิต้องทำสมาธิต้องนัง่นั่งสมาธิทำใจให้สง บ, บเพราะใจสง บ, บแล้ว ใจก็จะเห็นตัวเองจะเห็นตัวเองว่าไม่ใช่เป็นร่างกายตัวเองนี้คือผู้รู้ผู้คิดเวลาจิตสงบนี้ร่างกายจะหายไปจากความรู้สึกนึกคิดของใจสิ่งที่เหลืออยู่ก็คือตัวรู้ตัวเดียวแล้วเราก็จะรู้ว่านี่แหละคือคือตัวรู้นี่แหละคือเราเราอยู่กับตัวรู้ตลอดเวลาเราไม่ได้อยู่กับร่างกาย เวลาที่เรานอนหลับนี่เราก็ไม่ได้อยู่กับร่างกายเราปล่อยให้ร่างกายนี้นอนไปเฉยๆแต่เราไปอยู่กับใจใจก็จะพาเราไปท่องเที่ยวตามภพต่างๆตามบุญตามบาปที่เราได้ทำไว้เวลานอนหลับเวลาที่เราฝันนี่แหละเป็นเวลาที่เราไปท่องเที่ยวในโลกทิพย์กันถ้าเราฝันดีก็ได้ไปท่องเที่ยวในสวรรค์ ถ้าได้ฝันร้ายก็ไปท่องเที่ยวในอาบายไปท่องเที่ยวในนรกนี่แหละคือนรกและสวรรค์ที่แท้จริงอยู่ในใจของพวกเรานี้เองไม่ได้เป็นสถานที่เหมือนกับกรุงเทพหรือเชียงใหม่ใจของเรานี่แหละเป็นที่ตั้งของนรกเป็นที่ตั้งของสวรรค์ถ้าเราอยากจะเห็นนรกเห็นสวรรค์เราเข้ามาในใจของเรา เวล า, เานอนหลับนี่แหละเราจะไปท่องเที่ยวกันถ้าเราคิดดีพูดดีทำดีใจของเราก็จะฝันดีฝันดีก็ให้ฝันมีแต่ความสุขความสุขก็คือสวรรค์ถ้าเราคิดไม่ดีพูดไม่ดีทำไม่ดีเราก็จะฝันร้ายฝันร้ายนี่ก็คือนรกนี่นรกหรืออบายฝันว่าไปเกิดเป็นสัตว์ชนิดนั้นชนิดนี้ ถูกสัตว์ชนิดนั้นชนิดนี้มากัดมากินอันนี้เป็นความฝันถ้าเราทำร้ายผู้อื่นเราก็จะฝันให้ผู้อื่นมาทำร้ายเราถ้าเราช่วยเหลือผู้อื่นเราก็จะฝันว่ามีผู้อื่นมาช่วยเหลือเรามาดูแลเรามันเป็นเหมือนกระจกที่เรามองเข้าไปถ้าเรายิ้มให้กับกระจกกระจกมันก็จะยิ้มกลับมาให้เราถ้าเราแยกเขี่ยวใส่กระจก กระจกมันก็จะแยกเคี่ยวกับมาหาเรานี่คือเรื่องของกฎแห่งกรรมเป็นอย่างนี้ทำอะไรก็จะได้อย่างนั้นกลับมาหาเราทำดีก็ได้สิ่งที่ดีกลับมาหาเราทำไม่ดีก็จะได้สิ่งที่ไม่ดีกลับมาหาเรานี่เป็นกฎตายตัวจะเชื่อหรือไม่เชื่อก็ตามจะมีพระพุทธเจ้ามาตรัสรู้แล้วนำเอามาเผยแผ่สั่งสอน ให้แก่สัตว์โลกอย่างพวกเราก็ตามมันก็ยังเป็นกฎแห่งกรรมอยู่อย่างนั้นจะรู้ไม่รู้จะเชื่อไม่เชื่อถ้าทำแล้วผลมันก็จะต้องปรากฏเหมือนกับจะเชื่อไม่เชื่อว่าถ้าเราเอาเมล็ดข้าวไปลงดินแล้วเราก็จะได้ต้นข้าวโผล่ขึ้นมาแล้วต่อไปเราก็จะได้รวงข้าวจะเชื่อไม่เชื่อก็ไม่เป็นปัญหาอะไร เพราะความจริงไม่ได้ขึ้นอยู่กับความเชื่อของเราหรือไม่เชื่อของเราอยู่ที่ความจริงอยู่ที่เหตุอยู่ที่ผลเหตุของพวกเราเหตุของของพวกเราก็คือการกระทาของพวกเราทางกายทางวาจาและทางใจถ้าคิดดีพูดดีทำดีเราก็จะได้สวรรค์ได้ความสุขถ้าเราคิดไม่ดีพูดไม่ดีทำไม่ดี เราก็จะได้นรกได้อบายได้ความทุกข์นี่แหละสิ่งที่เราสามารถเห็นได้ถ้าเรานั่งสมาธิกันพยายามนั่งสมาธิพยายามหากระจกมาดูตัวเราดูตัวเราที่แท้จริงแล้วเราจะได้ไม่ไปหลงยึดติดกับร่างกายที่สักวันหนึ่งเราจะต้องสูญเสียมันไปทุกวันนี้เราวุ่นวายเราเดือดร้อน เราก er like like. ินไม่ได้นอนไม่ดับก็เพราะเราไปหลงยึดติดอยู่กับร่างกายคิดว่าเป็นตัวเราของเราพอร่างกายเป็นอะไรเราก็คิดว่าเราเป็นไปกับร่างกายพอร่างกายแก่เราก็คิดว่าเราแก่พอร่างกายเจ็บเราก็คิดว่าเราเจ็บพอร่างกายตายเราก็คิดว่าเราตายเราจึงขัวกลัวความแก่กลัวความเจ็บกลัวความตายกันมาก สำหรับร่างกายของเราแต่ถ้าเป็นร่างกายของคนอื่นนี้เราไม่กลัวเลยร่างกายของคนที่เราไม่รู้จักนี้เขาจะแก่เขาจะเจ็บเขาจะตายอย่างไรเราไม่เดือดร้อนเลยเพราะเราไม่ไปหลงยึดไปติดไปคิดว่าเป็นตัวเราของเรานั่นเองอะไรที่เราไปคิดว่าเป็นของเรานี้มันจะสร้างความไม่สบายใจให้กับเรา ท, าทันทีเพราะเวลาอะไรเป็นของเรา เราก็จะอยากให้มันอยู่กับเราไปนานๆเราอยากจะให้มันไม่มีวันเสื่อมไม่มีวันเปลี่ยนแปลงเหมือนซื้อรถยนต์มาก็อยากจะให้มันใหม่ไปทุกวันซึ่งมันเป็นไปไม่ได้ทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้มันจะต้องเสื่อมไปตามกาลตามเวลาและหมดไปในที่สุดถ้าเราไปยึดไปติดไปถือว่าเป็นของเรา เราก็จะต้องทุกข์เราจะต้อ ง, ต, องต้องวุ่นวายใจเพราะเราจะไม่ได้ดังใจหมายเราจะต้องผิดหวังเราจะต้องเสียใจเพราะว่าเราไม่เคยศึกษาดูความจริงของสิ่งต่างๆเลยว่าเขาเป็นของที่เที่ยงแท้แน่นอนหรือไม่เที่ยงแท้แน่นอนว่าเขาเป็นของเราอย่างแท้จริงหรือไม่ถ้าเรามองจริงๆแล้วเราจะเห็นว่าไม่มีอะไรเลย ที่จะเป็นของเรานอกจากใจเท่านั้นแต่ใจเรากับมองไม่เห็นกันเราก็เลยไม่รู้ว่าของของเรานี้คือใจเราก็ไปหลงยึดติดกับของที่ไม่ใช่เป็นของเราไปยึดติดกับร่างกายของเราแล้วก็ไปยึดติดกับร่างกายของพ่อของแม่ของสามีของภรรยาของบุตรของธิดาของญาติสนิทมิตรสหาย พอร่างกายของเขาเหลังนั้นมีอันเป็นไปเราก็วุ่นวายใจเดือดร้อนใจร้องโหมร้องไห้กินไม่ได้นอนไม่หลับเพราะเราไม่รู้ว่ามันเป็นเพียงร่างกายมันไม่ได้เป็นพ่อเป็นแม่เป็นพี่เป็นน้องไม่ได้เป็นสามีเป็นภรรยาผู้ที่เป็นพ่อแม่พี่น้องสามีภรรยานี้คือใจแต่ละาดวง เวลาร่างกายของพ่อแม่ตายไปนี้พ่อแม่ไม่ได้ตายไปกับร่างกายพ่อแม่ก็เมื่อไม่มีร่างกายอันนี้ก็ต้องไปหาร่างกายอันใหม่ไปเกิดใหม่ถ้ายังมีความอยากอยู่ถ้าหมดความอยากก็ไม่ต้องกลับมาเกิดใหม่นี่คือเรื่องของใจที่เราไม่รู้กันเราเลยไปหลงไปยึดไปติดกับสิ่งต่างๆที่เราได้มาเป็นสมบัต คิดว่าเป็นของเราคิดว่าจะให้ความสุขกับเราไปตลอดแต่มันให้ความสุขไม่นานเวลามันเปลี่ยนไปเวลามันหมดไปความสุขนั้นมันก็หายไปเราจึงต้องวิ่งหาความสุขอยู่เรื่อยๆเหมือนกับวิ่งตะคุบเงาวิ่งไปเท่าไหร่ตะคุบไปเท่าไหร่ก็ไม่สามารถจับเงาของเราไว้ได้เพราะเงามันจะทอดไปข้างหน้าของเราอยู่เสมอเหมือนกับความสุขนี้ ที่เราวิ่งตะคุบกันพอเราได้มาปั๊บอ่าเดี๋ยวเดียวหายไปแล้วอยากจะทําอะไรพอได้ทําก็มีความสุขพอทําเสร็จแล้วก็หายไปแล้วหมดไปแล้วอยากจะดูอะไรพอได้ดูก็มีความสุขพอดูเสร็จแล้วก็หายไปแล้วฟังอะไรก็หายไปแล้วดื่มอะไรรับประทานอะไรมันสุขเดี๋ยวเดียวเหมือนขวัญไฟแล้วมันก็หายไป พอมันหายไปเราก็หิวเพราะเราอยากจะมีความสุขตลอดเวลาแต่ความสุขที่เราหากันนี้มันไม่ใช่เป็นความสุขตลอดเวลามันเป็นความสุขเหมือนกับแสงหิ่งห้อยมันมาแล้วก็ไปเกิดแล้วก็ดับนี่คือสิ่งที่เราไม่เคยสนใจที่จะศึกษาพิจารณากันเราเราไม่รู้ว่าเราสามารถหาความสุขที่เป็นเหมือนแสงอาทิตย์ได้ ความสุขที่ใายอยู่ตลอดเวลาไม่เหมือนกับความสุขแบบแสงหิ่งห้อยที่เกิดดับเกิดดับความสุขที่ฉายแสงตลอดเวลาเหมือนกับพระอาทิตย์นี้ก็คือความสุขภายในใจเรานี่เองความสุขที่เราได้จากการนั่งสมาธิความสุขที่เราได้จากการเจริญปัญญาทำลายตัวที่มาคอยทาลายความสุขที่มีอยู่ภายในใจ ให้หมดไปพอตัวที่ถูกทตัวที่มาทำลายความสุขที่เราได้จากสมาธิคือความสงบถูกทำลายไปความสงบสุขของสมาธินี้ก็จะไม่เสื่อมไม่มีวันคลายไม่มีวันหมดไปนี่คือสิ่งที่เราจะได้รับรู้จากพระพุทธศาสนาไม่มีศาสนาใดในโลกนี้ที่จะรู้ความจริงเหมือนกับ ศาสนาพุทธไม่มีใครที่จะรู้ความจริงเหมือนกับพระพุทธเจ้ากับพระอาหารหันตสาวกทั้งหลายพวกเราจึงถือว่ามีบุญมีวาสนามีโชคคาลากที่เราได้มาเกิดในประเทศที่มีพระพุทธศาสนาการได้มาพบกับพระพุทธศาสนานี้ถ้าจะเปรียบเทียบก็เหมือนกับการถูกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่ง เวลาเราถูกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งสิ่งที่เราจะทำต่อไปคืออะไรเราก็ต้องเอาลอตเตอรี่ไปขึ้นรางวัลเราไม่เอาลอตเตอรี่ทิ้งไปในถังขยะเราต้องรีบไปที่กองกองสลากกินแบ่งเพื่อที่เราจะได้ขึ้นรางวัลกันแต่พวกเรามาเกิดในพระพุทธศาสนาเราได้ถูกรางวัลที่หนึ่งเราได้มีโอกาสที่จะได้พบกับความสุข ที่แท้จริงที่ถาวรที่จะไม่มีวันเสือ่อมไม่มีวันหมดและเราจะได้หลุดพ้นจากความทุกข์ของการเวียนว่ายตายเกิดอย่างถาวรแต่แทนที่เราจะรีบไปขึ้นเงินเดือนกันขึ้นรางวัลกันเรากลับเอาลัตตรี่ทิ้งถังขยะไปเพราะเราเป็นเหมือนไก่ได้พลอยไก่นี่จะไม่เห็นคุณค่าของพลอยเวลาไก่ขุดคุ้ยหาอาหาร มันจะหาแต่ตัวหนอนตัวไส้เดือนเวลาเจอพลอยเจอเพชรมันจะเขี่ยทิ้งไปเพราะมันกินไม่ได้ mm hmm. พวกเราก็เหมือนกันเรามาเจอเพชรของพระพุทธศาสนา mm hmm. เจอพระรัตนตรัยรัตนาก็คือเพชรนีเองแต่รานแทนที่เราจะเข้าหาพระรัตนตรัยกันเรากลับไปหาไส้เดือนตัวนอนกัน ช่้เดินตัวหน่อนของพวกเราคืออะไรก็คือลาบยศสรรเสริญความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายนี่นี่เป็นสิ่งที่พวกเรากำลังหากันอยู่ทุกวันนี้ไม่ใช่เหรอเติรนขึ้นมานี้ก็หาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายนะเติดนขึ้นมาก็หาอะไรดื่มดื่มกาแฟดื่มอะไรกันไปกินขนมนมเนยรับประทานอะไรกันไปหาความสุขกันไป แทนที่จะเข้าหาพระรัตนตรัยปฏิบัติตามคำสอนของพระรัตนตรัยเราไม่ค่อยปฏิบัติกันไม่ค่อยกระทำกันจึงเหมือนกับโยนโลอตเตอรี่ที่เราถูกรางวัลที่หนึ่งนี้ทิ้งลงไปในถังขยะเราไม่ได้รับประโยชน์จากการได้ถูกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งนี้เลยเพราะเราไม่ไปขึ้นรางวัลกันถ้าเราอยากจะได้รางวัลที่หนึ่งของพระพุทธศาสนา เราก็ต้องเข้าวัดบ่อยๆเข้าวัดเพื่อจะได้มาฟังเทศฟังธรรมเพื่อที่จะได้รู้จักวิธีที่เราจะไปขึ้นรางวัลกันเวลาเราถูกรางวัลเราก็ต้องถามก็เล่าว่าไปขึ้นรางวัลที่ไหนกันกองสลากกินแบ่งอยู่ที่ไหนจะต้องเอาอะไรไปบ้างต้องเอาบัตรประชาชนไปหรือเปล่าเอาใบสัมมนาครัวไปหรือเปล่า ต้องเอาสามีภรรยาพ่อแม่ไปหรือเปล่าเราต้องศึกษาแล้วถ้าเราอยากจะขึ้นรางวัลพอเราศึกษาแล้วรู้แล้วว่าวิธีที่จะไปขึ้นรางวัล น, นี้ทำอย่างไรถ้าต้องเตรียมเอกสารเราก็จะได้เตรียมเอกสารไว้ถ้าต้องออกเดินทางเราก็จะได้เตรียมเงินทองเพื่อที่จะจ่ายค่าพาหนะถ้าเราไม่รู้จักทางเราก็ต้องถามคนที่รู้จักทาง ให้เขาพาไปพอเราได้ทุกสิ่งทุกอย่างที่เราพร้อมที่จะออกเดินทางเราก็เดินทางไปถึงที่รับรางวัลได้เลยฉันใดที่รับรางวัลของพระพุทธศาสนาก็คือวัดวาอารามต่างๆถ้าเราเข้าวัดแล้วเราก็จะได้ยินได้ฟังวิธีการที่เราจะไปขึ้นรางวัลรางวัลของพวกเราก็คือ มรรคสี่ผลสี่นิพพานหนึ่งหรือพูดสั้นๆก็คือมรรคผลนิพพานมรรคผลนิพพานนี่แหละเป็นรางวัลที่มีอยู่เพียงในศาสนาเดียวเท่านั้นคือศาสนาของพระพุทธเจ้าศาสนาอื่นนี้ไม่มีรางวัลระดับมรรคผลนิพพานมีระดับสูงสุดก็ระดับพรหมโลกสวรรค์ชั้นพรหมโลกเท่านั้น ไม่มีใครรู้วิธีที่จะไปถูกรางวันที่หนึ่งมีพระพุทธเจ้าเพียงพระองค์เดียวเท่านั้นที่ค้นพบวิธีที่จะสามารถทำให้เราไปพบรางวัลที่หนึ่งรางวัลที่หนึ่งที่จะทำให้เราไม่ต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดอีกต่อไปรางวัลอย่างอื่นเช่นรางวัลระดับสวรรค์ต่างๆถึงสวรรค์ชั้นพรหมโลกนี้ เป็นรางวัลที่ยังไม่ยุติการเวียนว่ายตายเกิดได้ยังต้องกลับมาเกิดแก่เจ็บตายอยู่เวลาได้รางวัลชั้นพรหมโลกก็จะอยู่บนสวรรค์ชั้นพรหมโลกไปจนกว่ารางวัลนั้นจะหมดไปพอรางวัลหมดก็จะเลื่อนลงมาสู่ชั้นที่สองคือชั้นเทวดาจากพรหมโลกก็จะลงมารับรางวัลของชั้นเทวดา รางวัลของชั้นเทวดาหมดไปก็ต้องลงมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่มาซื้อหวยใหม่มาซื้อลอตเตอรี่ใหม่เผื่อที่เราจะได้ถูกลอตเตอรี่ใหม่ถ้ากลับมาเกิดไม่ได้เจอพระพุทธศาสนาก็จะไม่มีวันที่จะถูกรางวัลที่หนึ่งได้อย่างมากก็ได้รางวัลที่สองที่สามที่สี่ที่ห้าเท่านั้นคราวนี้ชาตินี้พวกเรา ถือว่ามีบุญมากมีวาสนามากมีโชคมากที่ได้ถูกวัตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งแล้วเรามีโอกาสได้หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดแล้วเรามีโอกาสได้เข้าสู่สวรรค์ชั้นสูงสุดคือพระนิพพานแล้วจะไม่มีวันจะต้องทุกขกับอะไรอีกต่อไปจะมีแต่ความสุขตลอดเวลาความสุขของพระนิพพานนี้ก็เปรียบเหมือนกับการอยู่ บ้านระดับห้าดาวกินอาหารระดับห้าดาวใช้เสื้อผ้าระดับห้าดาวซื้อรถยนต์ก็ระดับห้าดาวใช้ข้าวใช้ของอะไรต่างๆก็จะเป็นระดับห้าดาวไปหมดนะนี่คือความสุขที่เราจะได้รับจากพระนิพพานที่เราตอนนี้ได้มีสิทธิ์ที่จะไปรับรางวัล น, นี้แล้วขอให้เราเหมั่นเข้าไปวัดบ่อยๆไปฟังเทศฟังธรรมบ่อยๆ เพื่อที่เราจะได้รู้วิธีที่เราจะได้ไปขึ้นรางวัลวิธีที่จะขึ้นรางวัลพระพุทธเจ้าก็บอกว่าให้ทำทานทำบุญอยู่เรื่อยๆให้รักษาศีลให้บร้อยสุดรักษาศีลห้าก่อนแล้วก็รักษาศีลแปดพอรักษาศีลแปได้ก็ให้หัดนั่งทำใจให้สงบนั่งสมาธิด้วยการเจริญสติคิดอยู่เรื่องเดียวอย่าไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ พอคิดแล้วจะเกิดความไม่สบายใจขึ้นมาได้แต่ถ้าคิดอยู่กับพุโทโธพุโทโธเพียงอย่างเดียวนี้ใจจะว่างจะเย็นจะสบายจะมีความสุขแล้วก็จะได้พบกับความจริงของเราจะได้เห็นตัวเราว่าเรานี้ไม่ได้เป็นร่างกายแล้วเราจะเห็นว่าความสุขที่แท้จริงนี้อยู่ในใจของเราดีเองอยู่ที่ความสงบ พอเรารู้ความจริงอย่างนี้แล้วต่อไปเราก็จะไม่ไปสนใจกับการหาความสุขทางตาหูจมูกมิ้นกาจะไม่สนใจกับการไปหาลาบยศสรรเสริญเราก็จะอยู่วัดไปตลอดหาความสุขที่แท้จริงที่มีอยู่ภายในใจของเราไปตลอดแล้วก็แยกตัวเราออกจากร่างกายปล่อยวางร่างกายไม่ยึดไม่ติดกับร่างกาย ไม่ยึดไม่ติดกับสิ่งต่างๆทั้งหลายที่มีอยู่ในโลกนี้เพราะเราเห็นแล้วว่ามันไม่ได้ให้ความสุขเราที่แท้จริงนอกจากไม่ให้ความสุขที่แท้จริงแล้วมันยังให้ความสุขกับเราตลอดเวลาเรามีความสุขที่แท้จริงแล้วอยู่ที่ใจที่สงบนี้เองเราก็จะพยายามรักษาความสงบนี้ไป เวลาเกิดความอยากที่จะหลอกให้เราไปหาความสุขจากสิ่งต่างๆเราก็จะใช้ปัญญาสอนใจว่านั่นไม่ใช่เป็นความสุขมันเป็นความทุกข์เพราะมันสุขเดียวๆเพราะว่ามันอยู่ได้ไม่นานพอสุขแล้วเดี๋ยวมันก็หายไปแล้วก็ต้องหาใหม่อยู่เรื่อยๆหาไม่ได้ก็ทุกข์ใจเสียใจพอเห็นความจริงอันนี้ก็จะหยุดความอยากต่างๆ ไม่ทำตามความอยากได้พอไม่มีความอยากมาทำลายความสงบของใจแล้วใจก็จะมีความสงบมีความสุขไปตลอดนี่คือรางวัลที่หนึ่งที่เราจะได้รับจากการที่เราเข้าหาพระพุทธศาสนามาวัดอยู่เรื่อยมาฟังเทศฟังธรรมมาศึกษามาปฏิบัติกันอยู่เรื่อยๆตามคำสอนของพระพุทธเจ้าไม่ช้าก็เร็ว เราก็จะได้รับรางวัลพระพุทธเจ้าทรงปรยากรไว้แล้วว่าถ้าสามารถปฏิบัติตามที่พระองค์ทรงสอนได้การขึ้นรางวัล น, นี้ก็จะขึ้นได้ภายในเจ็ดวันถ้าเจ็ดวันไม่ได้ก็ภายในเจ็ดเดือนถ้าเจ็ดเดือนไม่ได้ก็ภายในเจ็ดปีจะต้องได้รางวัล น, นี้อย่างแน่นอนเชิงขอให้พวกเราจงมีความแน่วแน่มั่นใจต่อพระพุทธศาสนา อย่าไปเชื่อคาสอนของผู้อื่นไม่ว่าจะเป็นศาสนาหรือเป็นคาสอนอะไรก็ตามคําสอนอะไรในโลกนี้จะไม่สามารถให้เราได้รับรางวัลที่หนึ่งได้มีคําสอนของพ่อพระพุทธเจ้านี้เท่านั้นที่จะให้เราได้รับรางวัลที่หนึ่งก็คือให้เรายุติการเวียนว่ายตายเกิดได้ทำให้เราพบกับความสุขที่ถาวรได้